ถ้าถามว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะตอนนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะไปกันเี้ยอะแล้วคงดูดีเอาเอาตอนนี้แหละตอนนี้ลงถามดู่เลยเนี่ยอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไร พยานเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพยานที่ละโทษพร้อมทั้งวาสนาบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วเป็นพุทธเจ้าไหมถามว่าพยานเป็นพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพระพุทธเจ้ากล<ๆ>่าวนี้ได้ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาอย่างงี้ว่า ในวันที่ตัดสั้นุตตะระสำ ม, มาสำโพธิญาณใช่ไหมเราดูตรงนี้ก่อนนะว่าการตัดสั้นั้นอะไรเข้าไปตัดสู้อะไรเข้าไปแทงตลอดอรหัตตมัคใช่ไหมอันนี้พูดเฉยวิชาการนิดหนึ่งก่อนนะอาราหัตตมัคขยานใช่ไหมโธดาปฏิมัคเป็นพุทธเจ้ามหมยังสกาทาคามิมัค ก, ก็ยังอนาคามิมัค ก, ก็ยัง อรหัตมารที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่ประทับนั่งใต้ต้นพระศีมหาโพธิพระแท่นวัชระอาจเหรอใช่วันนั้นเนี่ยพยานคืออรหัตมารคยานเกิดขึ้นในอาหารหัตมารคยานพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรเลยเดี๋ยวนี้ เราจะได้เข้าใจว่านีิโคเดเียสเป็นอย่างนี้นะคําว่าอารห a t ม a m a k y a นี่พูดถึงพูดถึงพูดถึงปัญญาด้วยป่าตัวปัญญายานเนะตัวปัญญายานเนะี่ยเมื่อพูดถึงปัญญาพูดถึงเวทนาด้วยป่าที่ประกอบกับยานนะั้นพูดถึงเวทนาขันด้วยพูดถึงสังขารขันอื่นๆได้วยไหม พูดถึงวิญญาณขันด้วยพูดถึงสัญญาขันด้วยฉะนั้นนามขันสี่ใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่านามขันเหล่านั้นอาศัยอะไรเป็นไปอาศัยหัยาวัตถุใช่ไมคือหัตยารูปที่อยู่ในกลางหัวใจสรุปแล้วก็คือว่าหัทยาวัตถุก็อาศัยดินน้าไฟลม เบ็ดเสร็จก็คือว่ามหาพูดและอุปาทายรูปรวมมหาทายวัตถุเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เป็นที่ตั้งของพยานอย่างมากมายพลอยเป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยไหมเป็นไปด้วยเลยเหมือนคําว่าอท่านใช้คําว่าราชาอาคาโตเนี่ยพระราชาเสด็จมาเป็นการพูดถึงกองทัพและยานพานะทัพวรมด้วยไหมพระราชาเสด็จมา มาองค์เดียวไหมฉะนั้นถ้าอารหัตมรคพยานบรลุต้องพูดถึงพยานพูดถึงสิ่งที่ประกอบกับพยานด้วยไหมพูดถึงสิ่งที่ประกอบกับพยานด้วยฉะนั้นเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานก็ต้องรู้ว่าเวทนาขันที่เกิดร่วมกับพยานสัญญาขันที่เกิดร่วมกับพยานนั้น สังขารฐานและกาวิญญาณขันที่สัมบุญกับพยานนั้น่ะพร้อมทั้งรูปะขันทั้งหมดเลยมหาพูดและอุปาทายรูปที่รวมเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนะก็ถูกทําให้บริสุทธิ์ด้วยไหมก็ถูกทําให้บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นทั้งรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นพระพุทธเจ้าหมดด้วยเข้าใจยัง ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของพยานเมื่อพยานเล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือต่อมาหลังจากได้อรหัตมกขยานเบียเสร็จก็ได้ปัจเจวขคณาญาณไข้ควรเบียเสร็จแล้วต่อมาพระคุณทั้งหลายของพระบรมศาสดาก็ประชุมทั้งหมดเลยในกระแสะของนามธรรมของพระาศาสดาทีนี้พอพระสัพยาสพัญุตยานที่พระองค์ทรงได้เล่นไปสู่สิ่งใด เช่นสัพพัญญตญาณ น, นั้นตรวจกระแสะของสัตว์ทั้งหลายเมื่อพญา น, นั้นแล่นไปกระทบสิ่งใดพระพระสัพพัญญตญาณคือมหากริยาญาณสามยุทธ์ก็หมายถึงตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญานะพระปัญญาญาณพญานไปกระทบสิ่งใดนามธรรมาประกอบกับพญา น, นั้นต้องไปกระทบด้วยไหมต้องไปด้วยแล้วอาศัยรูปธรรมนั้นเป็นไปด้วยไหมนี่ไง ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นทั้งหมดในขันห้าของพระองค์นั่นแหละฉะนั้นพยานทั้งสิ้นอีกมากมายเลยที่ไหลอยู่ในห้องของหาไทยเยวะถูของพระบรมศาสตร์สดาที่เกิดดับอยู่ตลอดดุลานั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสามารถแทงตลอดทะลุทะลวงในสิ่งทั้งปวงได้นี่ผู้เชิงทางวิชาการอย่างนี้ทิดยากไห้เนี่ยตามได้ใช่ไหมโอ้แต่แต่ยากหน่อยเนาะ ยากั้ยเอางี้กระทบสัตว์ทั้งหลายถ้าพระองค์ตรวจสอบเนี่ยว่าถ้าสัพพัญยุตยานเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกภาษาสดาระลึกชาติได้เก้าสิบเก้าสิบสองกับความเร็วของพยา น, นี แค่แค่ชั่วหายใจเข้าออกปัญญาที่จริงเอาปัญญาเป็นประธานเน้นพยานเป็นประธานนอกนั้นเป็นธรรมที่สัมปยุตเกิดร่วมเกิดร่วมกับปัญญายานยากไหม นี่จะเจาะถึงสภาวะเริ่มยากขึ้นเนะีแต่แต่นี่จะได้เห็นไงว่านั้นพยานจากบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยวิปมหาวิปัสนาญาณเนนะี่ยเป็นประฐานเนะีฉะนั้นมหาวิปัสนาญาณที่ทรงบ่มเพาะมาอย่างยาวไกลนั่นแหละเป็นประฐานเป็นแท่นเป็นที่ตั้งของสัพพัญญุตยานเห็นไหมนั้นกว่าจะได้สัพพัญญุตยานนี้มาเพื่อมาแทงตลอด สภาวะธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าพยานจึงเป็นพระพุทธเจ้าและธรรมที่สัมยุญกับพยานทั้งหลายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้รูปประคันทั้งหลายที่พยานอาศัยเป็นไปแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเป็นไปในสาระของทั้งพยานทั้งพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้พยานเหล่านั้นก็มาเจาะทะลุทะลวงเปล่งพระธรรมใช่ไหม ออกจากพระโอษฐ์คือหาไทยไหมออกจากพระโอษฐ์คือปากใช่ไหมออกจากหาไทยออกจากอกถ้าพระศาสดาเปล่งพระธรรมเทศนาเมื่ อ, อไรแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรพระธรรมนั้นออกจากฮออกจากอกออกจากพระโอษฐ์พระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็จะเนรมิตปุถุชนกลายเป็นอริยบุคคลทันทีมีพระธรรมเนรมิตขึ้นถ้าเราฟังธรรมกันไปนะ ถ้าบรรลุ ป, ปุ๊บเนี่ยออกจากอกของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าและพระธรรมนั้นก็จะเป็นเนรมิตรเราท่านทั้งหลายจากปุรุชนเป็นผ้ารียบุคคลทันทีนี่ก็เรียกพระธรรมเนรมิตแม้เราไปปฏิบัติไปไข่ครวนเอาอะไรไปปฏิบัติเอาไปไข่ครวนเอาพระธรรมที่ฟังมานั่นเองที่สืบค้นมาอย่างดีนัเนเอง เอาไปใค่ควรเอาไปวิจัยพิจารณาเมื่อสามารถแทงตลอดตามพระธรรมที่ค่ควรวิจัยพิจารณามาพระธรรมเนรมิตรเรายังเนรมิตรจากปุถุชนกลายเป็นภระย็เป็นผู้บริสุทธิ์เลยนี้อย่างเงี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุตรของพระศาสดาเกิดแต่อกของท่านท่านเนรมิตรเราแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้สัมผัสเลยนะ <laughs> ก็จะมองเห็นไหมหนึ่งสัมผัสเมื่อเราได้ดื่มด่ำลดของศีลสมาธิปัญญาลดของทานกุศลเมื่อเข้าใจทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลเนะนั่นแหละคือได้สัมผัสพระพุทธเจ้าแล้วในฐานะเป็นโลกียเนะ แต่เราจะเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนใช่ไหมอาชีวิตถ้าหากว่าเราได้เดินตามคําสอนชีวิตอบอุ่นไหมอบอุ่นนี่ไม่ต้องไม่ต้องว้าเวใช่ไหมไม่ต้องกลับไปลูกใช่ไหมไม่โทรมาแม่บ้างไม่มีเลยใช่ไหมมีอยากจะจะติดต่อกับพระธรรมของพระศ า, ษ า, ษาสดาเท่านั้นเองวั น, ว, นวันหนึ่งก็ฟังคําสอนเอา้าวันหนึ่งเคยฟังธรรมะเยอะไหมเยอะไหม วันละกี่ชั่วโมงฟังตลอดเลยเนาะถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไหลคือวันไหนที่เราควรหยุดฟังวันที่เราวันที่เราหยุดปุ๊บพระธรรมไหลตลอดได้ใช่ไหมแต่นั้นก็ยังฟังอยู่เอาพระอรหันยังฟังธรรมมากไหมนั่นเห็นไหมแสดงว่าพระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องทำให้ใจของท่านเนี่ย เข้าถึงความสงบสุขท่านยึงน้อมที่จะฟังธรรมกันไดอเแต่คนยุคนี้ไม่ค่อยฟังธรรมกันเป็นนะบางคนไม่กล้าฟังนานรีบจะไปปฏิบัติใช่ไหมเขาฟังธรรมเป็นภาวนากุศลไหมแต่เขาไม่เข้าใจยังไหมกุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นต่อๆมาเป็นภาวนากุศลไงแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเข า, า, าฟังธรรมกันเนี่ย เขาฟังเงียบกริบหมดเลยนะบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเลยเวลาที่ผู้ทรงธรรมทรงวินัยมาขยายความเนี่ยตามสูตรเลยถึงน่าฟังมากพ๊๊อปะป๊ทุกคนก็ฟังนอบ น, อบนอบ้อมตามคําสอนเลยซึ่งถึงน่าฟังมากน่าฟังมากแต่ทุกวันเนี้ยเราสังเกตว่ากระแสใจของเราเนี่ย กุศลต่อไ ม, ไม่ยาวเลยบางคนในนิดเดียว่ขาดแล้วนิดเดียวขาดแล้วนดเดววนี่ยตอนเนี้ยที่มาต้องพยายามมากระตุกบ้างบอกบ้างนั่นบ้างดึงขึ้นมาบ้างนี่นะคือต้องการจะให้เราเชื่อมกุศลให้ยาวได้ถ้ายาวได้ก็เรียกว่าเริ่มไปได้แล้วเห็นตอนนี้ชีวิตเราจริงๆปลอดภัยไหมเนี่ยเพราะกุศลเราเดินได้ไม่ยาวบางคนเดินได้ไม่ถึงสองนาที มีปัญหาไหมย่งนั้นเนี่ยอย่างนี้ถือมีปัญหามากเพราะกุศลเดินได้ไม่ยาวอ่ะใครสามารถเดินกุศลได้ยาวๆได้อ่ะแล้วไม่มีบาปแทรกได้เลยถ้าแทรกก็รีบแก้ไขทันแก้ไขทันอย่างนั้นแสดงว่าเริ่มได้ดิบได้ดีแล้วสังเกตตัวเองยากไหยแบบนี้อย่างนี้ไม่ยากหรอกฉะนั้นยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งยิ่งดีคนที่มีข้อมูลเยอะ แต่ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลไปอยู่คนเดียวยิ่งพังนะเพราะจะต้องคิดบาปแน่นอนเพราะคิดไม่เป็นเนะี่ยทั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังเลยนะว่ากรณีที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมัยก่อนเอามาไปแสดงคำเอามาไปใช้คําบอกว่าพวกคุ้นเนี่ยไม่รู้บุญรู้บาปโอ้โหเขาโกรธเอามาเลยเพราะพวกนี้เขาโกรธเลยนะ ก็หาว่าอะไร Savior, ท่านยอมเป็นหัวงอกเลยทําไมท่านว่า <Laser. S 1> ยอมขนาดนี้ก็เลยถามว่ายอมรู้ว่าบาปนี่ให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบุญให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บาปไปให้ Liam. ผลเป็นทุกข์แล้วยอมโลภะเกิดบ่อยไหมโทสะเกิดบ่อยมาหน้าทิศทีวิสิชาหิริกาโนตปาอุตจาะเกิดบ่อยก็ทะรู้อย่าให้มันเกิดทําไมใช่ไหมนี่แสดงไม่รู้บุญรู้บาปนึ โอ้แต่บากใจเลยเนะคําคําเนี้เนะือแต่อย่าให้ลูกว่าเรานะ่เราไปว่าลูกก่อนได้ไหมกับใครเองนะไม่รู้บุญรู้บาปใช่ไหมพูดดักนาไว้ก่อนที่ไหนได้เราแก้งสอนตัวเราเองดีไหมเพราะอันระหว่างลูกกับเราใครสอนยากเราสอนยากพยายามขุดไปพอ ย, อ ย, อยนี่เนะคนเราเนี่ยแปลกจริงเนะื้อให้ตัวเองสอนยากนะแต่เราบอกลูกนี่สอนยาก บางคนมาบนในพังโอ้มีลูกอยู่คนลูกสอนยากยากที่มากันนึกในใจแม่ยากกับลูกอีกข้อทช้จริงเป็นอย่างนั้นไหม เ, เรื่องจริงใช่ไหมฉนั้นความบริสุทธิ์แห่งจิตนะ่ะอะไรสร้างมาแต่ก่อนเนี่ยจิตของเรานี่บริสุทธิ์ไหม จิตของเราเนี่เศร้าหมองมานานแล้วเพราะอุปกิเลสที่จอนมาใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ทําให้จิตนี้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้เพราะอารหัตธรรมขยานสร้างมาใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้อรหัตธรรมขยานบุคคลเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีจิตจิตโสขปกไม่บริสุทธิ์กับโสขปกอันเดียวกันไหมผ้าโสขปกกับผ้าไม่สะอาดใช่ไหม ภารกิจสกปกแต่คำคำนี้ก็อย่าไปใช้บ่อยนะใช่ไหมแต่เราใช้ตัวเราเองได้ไหมตอนนี้จิตยังไม่สะอาดนะจิตยังไม่สะอาดจิตยังสกปกอยู่เนาะสกปกเพราะราคะโทสะโมหะมานะทิถิวิจิขาหิริกะอันโนตปาอุทธะจักกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนี้เป็นผลของจิตที่สกปกจิตที่ไม่สะอาดเจ้าหน้ากันต้องบอกใหม่ ดูก่อนท่านผู้มีใจงามทั้งหลายอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าพูดคํานี้ก็เอ อ, ออควาชั่อเราต้องการจะขัดเกลาตัวเราเองเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงความงดงามใช่ไหมเ น, น, นี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฉนันความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยถามว่าอะไรสร้างมาอรหัตตมรคยานเน่ยสร้างมาเออให้สังเกตนะว่าอรหัตตมรคยานนั้นเป็นชื่อของ ตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละทีนี้สัมมาทิฏฐิมีองค์เดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องมีสัมมาสังกปะในนั้นด้วยนี่คือปัญญานี่คือวิปัสสนาญาณสูงสุดแล้วในอรรถธรรมขยานนั้นแล้วในนั้นก็มีอะไรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนั้นเป็นตัวสมถะใช่ไหมเป็นกิตตวิสุทธิแล้วก็สัมมาวจาสัมมากรรมตะสมาชีวะนี่เป็นตัวศีลนั้นเป็นศีลวิสุทธิ งั้นสีละวิสุทธิจิตตาวิสุทธิปัญญาวิสุทธิไปไประชุมรวมกันในในจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็เลยเรียกว่าอารัธตมัชใช่ั้มท่านถามว่ามักถามว่าอารหธามัคเนี่ยความบริสุทธิแห่งจิตปกติจิตไม่บริสุทธิแต่ถ้าสามารถประชุมอริยมัชมีองค์แปดจนถึงอารหธามัคได้ ว่าอรหัตธมขยานเป็นต้นอรหธรรมขยานเป็นต้นที่เป็นสีลวิสุทธิจิตแต่วิสุทธิและปัญญาวิสุทธินั่นแหละที่ประชุมอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าจิตนั้นน่ะถูกชําระสะสามด้วยอรหธรรมขยานแล้วถ้าถามว่าจิตดวงนี้ที่ศกรปรกมาอย่างยาวนานแปลว่าจิตนี้เกิดดับนะไม่ใช่เที่ยงเนอะ ไม่ใช่ลอยกลมๆเหมือนกับดูภาพยนตร์นะแต่ว่าเกิดดับอยู่ยาวนานแต่เกิดดับก็มีเชื้อของความสกปรกสืบเนื่องมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรเกิดดับเร็วไหมจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมากกว่าแสนกอดครั้งใช่ไหมฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่เชื้อของความเห็นผิดเชื้อของความสปกปรกเพราะกิกเลสทั้งหลายนั้นน่ะไม่ถูกชําระมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตร เพราะปรมศาสดามีสัพพัญญุตยานที่ไปตรวจสอบกระแสจิตของสัตว์โลกทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นในสากลโลกทั้งหมดทุกจักรวาลพระศาสดาสามารถตรวจสอบได้เบ็ดเส็จเนะเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยการไม่รับพยากรณเนี่ยการเกิดในจักรวาลอื่นน่ากลัวจังเคยเห็นไหมบางคนก็มีความคิดแปลกๆจากมนุษย์ในจักรวาลนี้เคยเห็นไหมล่ะ เข้ากับคนในจักรวาล น, นี้ไม่เคยได้แสดงว่าเคยเกิดในจักรวาลอื่นมาก่อนนี่นี่นี่นะนั่นตรงนี้ในชมพูทวีปด้วยในจักรวาล น, นี้เป็นจักรวาลที่พระศ า, าสดามาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นอยู่มะตรงนี้แล้วเขาเออเป็นสัตว์มีบุญนะเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยแสดงว่าสร้างเหตุปัจจัยมาดีเนาะอดีตเหตุ ด, ดีแล้วทําปัจจุบันในเหตุให้ให้เหมาะสมใช่ไหม ทีนี้อดีตเราเราอาศัยอดีตละเอียดอย่างเดียวแล้วมาปัจจุบันก็มาเพื่อเพลินลุ่มหลงได้ไหมที่ผ่านมาเพื่อเพลินลุ่มหลงมาเยอะใช่ไหมที่ชีวิตที่เราปล่อยเสียไปเยอะเนะเขาบอกคนพานสักด์แต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันไอ้ศัพท์นี้แปลว่าอะไรเอเอ้ยอยู่อย่างการไม่ได้พอกพูนเจริญกุศลอะไรเลยหายใจนี่ทิ้งไปวันวันไมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอ่ะ เขาบอกโอ้ยเราก็ทํามาให้ก so, so mm. so, ินนะเราก็ได้ทรัพย์หมาเราก็ได้ลูกอย่นี้ไงประโยชน์เรามีลูกตั้งหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วมีทรัพย์สมบัติมีบริวารเยอะแยะนี่ไงเราทําประโยชน์อันนี้ใช่ประโยชน์สูงสุดไหมใช่ประโยชน์ในภพหน้าไหมเป็นประโยชน์ในปัจจุบันด้วยนะดีที่เราทํำนี่ถ้าประโยชน์ในปัจจุบันแล้วขับเคลื่อนไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตที่เป็นบาปเสียประโยชน์ปัจจุบันก็อยู่โอ้สรุปแล้วไม่รู้แม้กระทั่งประโยชน์เลยนะเนี่ย ใช่ไหมฉะนั้นการปังพระธรรมของพระบรมศาสดาเนี่เนี่ยต้องต้องมานัศการนดีสรุปตรงนี้ก็คือว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ ข, ของจิตอะไรสร้างอะไรสร้างมาอราตมัคยานสร้างมาเอ๊ะถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เออนาคามิมรรคโสสกาธาใครมรรคโสดายปฏิมรรคหนี้ไม่ทําให้จิตบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์จริงแต่ไม่ถึงที่สุด ไม่ไม่หมดจดแต่จะจะให้หมดจดจริงๆต้องอารัธมักขยานเป็นผู้สร้างมาเพราะพูดถึงอารัธมักขยานนี่พูดถึงศีลได้ไหมสมาธิปัญญาได้ไหมศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วก็ปัญญาวิสุทธิมรรคแปดอยู่ในนั้นไหมไม่ใช่แค่มรรคแปดนะยังมีสภาวธรรมอื่นด้วยที่ลุมล้อมมรรคแปดอยู่ในนั้นที่เป็นธรรมที่ยสมัยยึดกับมรรคแปดนั้นด้วยอันนี้ผูดเชิงวิชาการเอาไว้สําหรับบุคคลที่จะจ่อลึอกไป วิจั ย, ยจไปพิจารณาไปไขควรนะ่นะนี่พูดฝากเอาไว้ในเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอรหัตธรรมแต่ถ้าใครยังไม่นั่นตรงนี้ฟังให้เป็นบุญไว้ว่าเป็นบุญหูเราเลอกเกินนะี่นะใช่ไหมที่เราได้มีโอกาสได้ยินคำว่าอรหัตธรรมขยนันเป็นบุญยราบอันประเสริฐแล้ว โอคำคำนี้หาได้ฟังยากมากทำพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ยินคําว่าอาราธมัยานเนี่ยไม่ได้ยินคํำนีแ้แล้วจะไม่รู้ด้วยอาราธมัยานประกอบด้วยสีรวิสุทธิจิตตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิและประกอบไปด้วยสภาวธรรมทั้งหลายที่ประชุมกันในมรรคนั้นแล้วมรรคนี้นี่แหละมรรคยานเหล่านี้อาราธมัคยานเหล่านี้ที่ทําจิตที่โสขปกนั้นให้บริสุทธิ์หมดจดนั้นอะไรสร้าง อะไรความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นอะไรให้มาเพราะอะไรภาวะที่จิตเจติกเหล่านั้นมีพยานเป็นประธานจึงไร้มนทินใช่ไหมบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือด้วยประการอย่างนี้โอ้โหนี่ลจิตบริสุทธิ์หมดจอดที่แหละสามารถที่จะเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เป็นเหตุให้ที่พึงจะรู้อันไม่มีส่วนเหลือ ถามว่าถ้าภาษาสดาเนี่ยจะลำพึงน้อมถึงอะไรเนี่ยพยานแล่นไปทันทีไหมแล่นทันทีไม่สามารถมีอะไรมากีดขวางได้เขาเรียกว่าอนนาบวรณญาณถ้าจะตรวจดูกระแสสัตว์เนี่ยจะรู้ทันทีว่าสัตว์เหล่านี้มีสัตทินรียวิญซียสตินตรียสมาวินรียแล้วกับปัญญีนทรีย์อ่อนแอหรือแข็งแรงจากบรรลุนะที่ไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่เนี่ยแปะเลยนะนั่นคือสัมพยุญตยานะ คืออินเตริยาปรโรปริยติยานเนี่ยคำนวณเนี่ยทันทีเลยคำนวณแม้กระทั่งช่วงเวลาได้ด้วยคำนวณพวกเราหมดไหมดูทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่มีช่องทางบรรลุเลยไม่มีช่องทางในช่วงนั้นเนี่ยฉะนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงๆคือไม่มีช่องทางเลยอ่ะท่านตรวจสอบหมดนะทั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิ ป, ปัญญา ดูการเวลาดูการต่างสมบารมีธรรมจักบรรลุณเวลาไหนขนาดไหนชั่วโมงไหนตรวจสอบเบสเสร็จและชาติไหนพบไหนตรวจให้เบ็เสร็จด้วยดีไม่พยากรณ์ติดน่ะาผากักลมซีไว้ใช่ไหมถ้า ง, งั้นเรามาอ่านโอ้ตายอีกห า, านาเหลือเกินเนี่ยถ้าบอกอย่างนี้ยิ่งควนขวายไหมถ้าบอกว่าจะต้องไปตกนรกอีกหลายร้อยกาบนี่เจ็บปวดไหมทีเนี้ยโ oh. อ้โหนั่นพระองค์รู้หมดไหมรู้หมดนั่นคือพระฤาษียาว พระบรมศาสดาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเราไม่เคยเห็นมุมพระศาสดามุมนี้เลยใช่ไหมว่าพระศาสดาตรวจสอบกระแสชีวิตเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราจําเรามีความจําเป็นไหมที่จะต้องไปดูหมอไม่มีความจําเป็นเลยอะ่ะหมอดูนะ่นคือคนตาบอดคนตาบอด พุทธเจ้าตรวจสอบมาตั้งนานแล้วใช่มเพียงศึกษาคำสอนแค่นั้นเลยมั่นใจในภาษาสดาต่อไปเห็นหมอดูที่เขาจะตรวจนะคตบกถามว ago, right? ar, an hmm anyway? ja ่าคุณยังไม่รู้ต ah> ัวเองเลยบ่าค right? ุณจะพ้นทุกข์เมื่อไรเพราะงั้นใช่ไหมเ้าบอกระหว่างผู้หญิงผู้ชายใครชอบดูหมอมากกว่ากันอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงแพงแ่ มาดูใจมากเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ๊ะแปลกจริงบ้าจริงเป็นเป็นนั่งคิดหลายหลายตลบเลยนี่นี่นั่งกันอยู่นี่เสียเงินเพราะดูหมอมากี่บาทแล้วเนี่ยไปเชื่อคนไม่มีสัพพัญญตยานแปลกไหมชีวิตเราเนี่ยบางคนถ้าเข้าใจพุทธคุณนะจริงๆนะไม่กล้าดูหมออีกต่อไปไม่เอาแลยไม่รู้จะไปดูทำไมใช่ไหม เรจะดูทำไมหมอดูก็มีปัญหาวันนี้แย่ไม่มีใครมาดูเลยหมอดู่เขามีปัญหาเขกมากบทีเขาไปบ่นกับพาร์ด้วยเบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาดูเลยพาร์นั่งขำนิมม่งใจาไปแล้วตลาดแท้เนี่ย จะมีคือระบบการโฆษณาเนี่ยทำให้ชนเชื่อมันบางคนอุยืนยันโอ้ยแม่นแม่นมาโก็คนไม่มีสัพพัญญุตยานอะไรเลยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจพระบรมศาสดาเราจะรู้เลยว่าอะไรมันปิดม่านม่านม่านความคิดเราอยู่นะมันปิดอยู่อะไรปิดนะโมหะ โวหะมันปิดใช่ไหมใ น, ในส่วนจริงเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองกันอยู่เลยขนาดฟังว่าทำวันนี้นะพอฟังเสร็จเบรสเสร็จกลับไปแล้วพระก็พูดอีกอย่างมันจะมีความสุขอย่างนั้นเลยนะจริงๆพระไม่รู้หรอกเราจะลงทุนเนี่ยบางทนะีถ้าเสี่ยงขึ้นมาเราจะต้องเจ๊งถึงสามสิบสี่สิบล้านเนี่ยทีนั้นถ้ามีใครมาดูให้บ้างมันยังชื่นใจเอาอะไรแตน่นี่ความไม่มั่นใจอย่างนี้ทุกไลนเลย มาก็เจอมาเยอะเนะี่ยมงเยอะก็บา ง, งบางคนไม่ใช่แล้วเอาชีวิตไปฝากไว้ใกอ้ไม้อะไรเนะี่ยนั่นแหละเอาไปฝากไว้มันมีอยู่สิบสองไม้หรือยี่สิบไม้แค่นั้นเองคนทั้งคนทั้งประเทศเอาชีวิตไปฝากไว้กระบอกนะั้น้องคิดดูแล้วมาก็ขำตรงที่ว่ามีคนคนหนึ่งเขามาถามมาก็บอกว่า นี่ยเขาแต่งไอ้คากรอนตรงเนี้ยไอ้คากรอนนี่จะท่องเน่ยมันคล้องจองไม่ได้ก็ถามออกมาว่าเขาใช้ศับอะไรถามว่คุณจะไปทไําไหมบอกนี้ไปเขียนใส่คำศัพท์เอสเทมจีมาบอกแมวแล้วทำให้คนโง่อ่ะประหลาดแท้แต่ตามว่าต่างๆก็กทํากันเนี่เพราะอะไรเพราะชาวพุทธมีหลายระดับเพราบอกงีะถ้าระดับยังติดเครื่องล่างคล้องคขังระดับยังติดการดูหมอต่อจตาระดับเลยก็ก็ทําไปลถน้ํามลต่อจิตา พระแล้วเขาเขาจะบอกว่าสจกแล้วก็คือมีบริการทุกหมู่เหล่างั้น <laughs> มีบริการอย่างพวกเรามาเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ไปแล้วเนาะไม่ไปแล้วตรงก็แอบถ่ายรูปไปด้วยนะใครแอบไป <laughs> <laughs> คงไม่ไปแล้วเอมีป่ะถามจริงยังยังไม่มั่นใจอยู่ป่ะฉนั้นตรงนี้ก็คือว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยอะไรสร้างมาอารามธรมขยานสร้างมาแล้ว อรัธรรมคยานอะไรสร้างมาอารัธรรมยานอะไรสร้างมาใช่ไหมเพราะจริงๆถ้าเราบอกว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยอรัธมคยานสร้างมาครือคาว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยนะพยานแล่นไปในสิ่งพึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้รูปปั้นที่สั ม, มยุญกับพยานก็ย่อมแล่นไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้น การใช้วัวหารว่าพรุทธเจ้าจึงใช้ได้ในความสืบต่อกันของรูปขันและนามขันหรือรูปขันในรูปขันที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้นฉะนั้นรูปขันของพระบรมศาสดานั้นเชื่อบริสุทธิ์เพราะมีพระยานที่บริสุทธิ์แล่นไปในกระแสขันของพระบรมศาสดาใช่ไหมการใช้วัวหา ร, ระพุทธคุณจึงใช้ได้ในการสืบต่อความบริสุทธิ์นะการที่กระจกเงาใสสะอาด เป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงมีแสงสว่างเจิดจ้าเป็นเหตุให้ไปเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุประกาศให้รู้ถึงน้ํามันและไส้เป็นต้นนะความที่จักษุประสาทเป็นต้นเแจ่มใสนั่นแหลเป็นเหตุให้จักขวิญญาณเป็นต้นรู้แจ้งรูปารมณ์แม้ชั้นใดภาวะที่จิตเจตสิกที่เป็นญาณนะเหล่านั้นที่มีญาณเป็นประธานที่มีสรพพัยุติญาณเป็นประธานที่มีอนนาวรณญาณเป็นประธาน ที่มีอินทรียปร์ปโรปริยัติยานเป็นประธานที่มีมหากรุณาสมาปัฏิยานเป็นประธานที่มีอาสยานุสยายานเป็นประธานที่มียะมะกะปาดิหาริยยานเป็นประธานนะพยานที่แสดงยะมะกับปาดิหารของบุรุษมศ ส, สดารเป็ตนต้นไล้มลทินบริสุทธิ์หมดจดเป็นเหตุให้รู้แจ้งในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้ชั้นใดด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นพยานต่างๆเหล่านั้นน่ะถามบอกว่า ที่บริสุทธิ์หมดจดนั่นเองเป็นเหตุทําให้จิตนั้นบริสุทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นความบริสุทธิ์แห่งจิตอะไรสร้างมาก็เลยตอบได้ทันทีว่าอาราธรรมขยานสร้างมาฉนั้นถ้าพิจารณายิสัพพัญยุตยา น, นี้บริสุทธิ์ไหมบริสุทธินะ์อารัธรมขยานนี้บริสุทธิ์ไหมนะความบริสุทธิ์ของยานนั่นแหละสร้างจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหม จิตบริสุทธิ์ได้เพราะพยานนี้แหละถ้าถามบอกว่าพโยคาวรจอขออภัยอันความบริสุทธิ์แห่งจิตพระอารามธรรมกยานอะไรสร้างอารามธรรมกายานถามว่าอะไรเป็นตัวสร้างอาราธรมกายานอา่าวบารมีสามสิบทัสแล้วอะไรอีกฮะ อ้าวสินี่สุดที่อะไรอีโอโหตอบกันเยอะเหลือเกินอ้าวตอบกันไปเพื่อที่จะถูกสักลูกเนาะตอบปะตอไปอ่าวเพื่อที่จะได้มุมบ้างใช่ไหมก็วิธีคิดคิดยังไงคนเดียวจะสู้เราหลายคนได้ยังไงเราต้องก็แย่งกันต่อบปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊เดี๋ยวก็ได้ไหมเดี๋ยวก็ได้อ้าวแล้วอะไรดีตอนนี้อะไรสร้างอาณาจักรยา อะไรสร้างอะไรธมะขยานอะไรธรมะขยานอะไรสร้างมาก็ต้องตอบว่ามหาวิปัสนาญาณเน่ะสร้างมาใช่มะเพราะมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอาราธมะขยาน ไ, นไหมเป็นไม่เป็นอ่มหาวิปัสนาญาณมีอะไรบ้างโโหเยอะเลยเนี่ย อันนี้จานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานาตาหนุปัสสนาใช่ไหมนิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาอีกเยอะหมดเลยนั้นตัวมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายต้งแต่ไล่ตั้งแต่นานมารูปบรเิเจตญาณไปต้นนี้ก็ได้เนอะสรุปก็คือมหาวิปัสสนาญาณสิบแปดหรือยิ่งกว่านั้นโดยสรุปไปใช่ไหม มหปาปัสสนาญาณทั้งหลายของพระบรมศาสดาสร้างอะไรมาสร้างอารธมัคคยานมัคคยานเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยมหปาปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยสร้างขึ้นมาถามมหาวิปัสสนาญาณอะไรสร้างขึ้นมาเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้าง S 1> <S 1> <S สมาธิสมาบัติไงใช่ไหมใช่หรือเปล่าสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ย น, นะใช่ไหมสมาทิงพิกเวพาเวถะสมาตัวยะถาภูตังประชานาติใช่หมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัด ตามความเป็นจริงไอการรู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นเป็นชื่อของมหาวิปัสนาญาณมหาวิปัสนาญาณก็เลยไปสร้างอรรถธรมขยานใช่ไหมอรรถธรมกยานก็เลยไปสร้างจิตให้บริสุทธิ์คือสรรพยุติญาณทั้งหลายเป็นต้นโอ้โหไล่ไปตามลำดับเลยทีเนี้ยฉะนั้นสมาธิจึงสร้างมหาวิปัสนาญาณจึงเป็นปัจจัยให้จึงเป็นอาหารของมหาวิปัสนาญาณทั้งหลายแล้ว สมาธิและอะไรสร้างมาศีลใช่ไหมเออตัวศีลอย่างไรเพราะปรมศาสดาตรัสไว้ในเทวตาสั่งยุธว่ายัางไงตรัสไว้งไงสีเลปฏิฐายานโรสปพัญโยจิตตังปัญ ญ, ญจัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสโ อ, อิมังวิชตะเยชะตันติเตพราะว่าไง พโยคาวาจรพุทธบริษัททั้งหลายเป็นคนมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัตรดำลงมั่นอยู่ในศีลสีรประการเจริญจิตเจริญสมาธินั่นเองอบรมวิปัสสนาปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนนั่นแหละพึงทางชัดนี้เสียด้าตรงนี้ถ้าจะพูดขยายความของพุทธพจน์ก็ต้องขยายยังไงใจความนะผู้มีปัญญาที่เกิดจากตรม กรรมชาปัญญาเนะี่ยเกิดมาเป็นติเหตุกาปฏิสนธิมีความไม่โลภความไม่โกรธแล้วมีปัญญาในขณนะเกิดเลยนะเขาเรียกว่าปฏิสนธิขณะเป็นกระรานน้ำใสๆนี่นะมีนามธรรมมาถือปฏิสนธิด้วยรูปธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันเนะี่ยพอดีพอดีเลยนะไม่มีอะไรก่อนและหลังในนะ้ระหว่างรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นในครั้นของมารดาเป็นต้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งร <such it S 1> to ูปธรรมและรูปธรรมเนี again, ่ยอุปมาเหมือนกันนกอ่ะนกบินมาจับกิ่งไม้เงาของนกจับกิ่งไม้กับตัวนกจับกิ่งไม้พร้อมกันไฮมรูปธรรมและรูปธรรมนั้นน่ะเกิดขึ้นพร้อมกันน่ะพอดีพอดีเลยพอดีพอดีเลยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ในขณะที่นามธรรมเกิดขึ้นมานั้นน่ะมีความไม่โลภความไม่โกรธและมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิด้วยเห็นไหมเนี่ยคือ นี่ไงสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์คู่ควรต่อการตัดส้วนต่อการบรรลุเนี่ยเราท่านทั้งหลายถ้าได้ขนาดปฏิสนธินั้นเนี่ยเขาจกมีปัจจัยชวเทวทัตเป็นติเคทุกขปฏิสนธิเกิด ม, มาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธปั ญ, ญ, ญา่าได้ฌานสมาบัติไหมพุทกกาตาบทอลารลาลาบทไดฌานสมาบัติหมดเลยเนะ่ยเยอะหมดคนในครั้งพุทธกาลนี่แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิหนี่เสียหายเลยเจอพระพุทธเจ้าจะไม่ได้โอกาส ขอให้เราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยเนาะการที่โอ้ยเดินหันหลังให้พระศ า, าสดามีโทษมากใช่ไหมมีโทษมากผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมคนจะเกิดมามีปัญญาได้ต้องมีกรรมในอดีตดีไหมกรรมประเภทไหนติีต้องเป็นดีเหตุกกรมาใช่ไหมประเภทที่ว่าทํากรรมที่เป็นไปกับมหากรุษญาณะสัมประยุทธ์มาใครทํากรรมระวังไว้เนะ้ทุกเม็ดที่คุณเราท่านทั้งหลายทํากรรมเนี่ยให้ทานเน่ย เป็นยานสัมบัญยุทธไหมรักษาศีลเป็นทักษ์ยานสัมบัญยุทธไหมบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถ้าใครเดินมหากุศลยานะสัมบยุท์ได้กรรมประเภทนี้มีโอกาสยังปฏิสนธิเป็นติเหตุได้เอาทีเอาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยมหากุศลญานสัมบัญยุทธไหมใช่ไหมเอาประพฤติประโยชน์อด้วยมหากุศลยานสัมบัญยุทธไหม ให้ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญกันบ่อยๆเนี่ยด้วยญาณนะสัมพยุตไหมหรือไม่ใช่แบบสลืมสะลือสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตาก็จะหลับอย่างเงี้ยอันนี้ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมขนาดท่องแล้วท่ององย่างเี้ยโอโหอยังกระตุกไม่ขึ้นเนี้ยอันนี้ลําบากนะใครทําเราเราทําตัวเองนะงั้นต่อไปอย่าไปใช่ไหมต้องต้องบอกตัวเองตลอดอย่าทําทําอะไรต้องทําด้วยญาณนะสัมพยุต เห็นไหมเป็นโสมมานัทเขเวีค้าในแข็งแรงเหมือนกันเป็นอสังคาริหรือส า, ารังคาริในแข็งแรงเหมือนกันเงินต่อไปก็อยาให้ใครปลุกเวลาจเจริญเป็นอสังคาริปลุกตัวเองเลยได้ไหมถ้าเขาตั้งไว้ตีห้าใช่ไหมเขาตั้งไว้ตีสี่ครึ่งเราเล่นตีสี่เลยเจ้าไหมตีสี่มานั่งรอถามทําไมเอาาเราต้องการทําอสังคาริยาณาสัมบยุทธ์แล้วเขามานั่งปีตีโสมมานัทเลยทำดีฮนะเห็นไหม ไม่ใช่ว่าเสียงเรียกสองรอบแล้วยังมาแค่สองคนอยู่เลยเนี่ยอันนี้มหมเนี่ยไหมเขาว่าไม่มีไม่ต้องอาการชักชวนเนี่ยถ้าเขาชวนหนึ่งเออชวนเวลาห้าตีห้าเราจะมาตีสีถ้าชวนตีสี่เลยจะมาตีสามถ้าชวนตีสามโห้ทำไมนานขนาดนั้นโอ้ตายตรงเนี้ยไหมจะเป็นอย่างงั้นอันอัสสังคาลิกนี่แปลว่าไม่ต้องอาศัยแรงกระตุน้น จะ ไ, ไม่ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นกระตุ้นตัวเองได้ไหมอ้าในการเจริญกุศลนี่ตอนนี้เรากระตุ้นตัวเองได้อยังต้องอาศัยปัจจัยรอบด้านกระตุ้นไหมถ้าคนแข็งแรงนี่ไม่ต้องเลยนะเช่นเห็นคนทําชั่วเนี่ยก็บาปไม่เกิดนะบุญเกิดได้นี่แสดงว่าหัวสังคาริเขาแข็งแรงมากนะใช่ไหมไม่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมแล้วถ้ายังประเภทอ่อนแออยู่ อันนี้โอ้หน้าเป็นห่วงไหมอาการหน้าเป็นห่วงเนะคนอื่นหน้าเป็นห่วงหรือเราหน้าเป็นห่วงเราแล้วทีนี้ยเขต้องไปพิจนารณาในเนี้ียตรงนี้เพราะว่าให้สังเกตนะให้ส่วนบุญใช่ไหมโมทนาส่วนบุญก็ให้เป็นญาณนนสมประยุทธ์ฟังธรรมก็ให้เป็นญาณนนสมประยุทธ์แสดงธรรมก็ให้เป็นญาณสัมประยุทธ์ ถ้าใครประกอบบุญกิริยาวัตถุดได้ด้วยยานสัมปยุตแสดงว่าสร้างเหตุที่เป็นติเหตุกรับปฏิสนธิแมมจริงๆน่าจะบอกจะวันแรกใช่ไหมดัง <c oughs> นั้นเราจะตั้งใจฟังทำใช่ั้ยทีนี้ผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมกรร ม, มชาปัญญาเนี่ยนะ อันประกอบด้วยตีเหตุกาปฏิสิทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลและกุศลที่เป็นอุปนิสัยศีลสีส่ประการน่ะปาติโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีนาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจายาสันนิสิตาศีลฉะนั้นถ้ามีปัญญามาแต่เกิดเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภไม่โกรธแล้วมีปัญญาเกิดมาเบิสเด็จ แล้วเข้าถูกช่องทางพระศาสนามาตั้งมั่นอยู่ในศีลสีประการศีลที่เป็นไปในภมูมิศีลเขาเรียกมีปาฏิโมกขังวรศีเป็นต้นและไม่ใช่แค่นั้นนะที่เป็นอุปนิสัยนะอันเป็นพื้นของสมถะก็คืออบรมจิตนั่นเองอบรมจิตนั่นเองถ้าเอาศีลเป็นประทัดฐานของสมาธิ ใช่ของสมาบัติของสมาธิของสมาถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญวิปัสสนาเนียศีลเป็นประทัดฐานเป็นพเป็นอุปนิสัยาปลายใจของสมาถะและวิปัสสนาก็เรกว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและเจริญปัญญา ศัพท์เขาใช้อย่างงั้นอบรมจิตและเจริญปัญญาคําว่าอบรมจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมถะเป็นชื่อของสมาธิแล้วอบรมแล้วก็อบรมจิตและเจริญปัญญาเจริญปัญญาศัพท์นั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญาเห็นไหมก็คือเป็นชื่อของมิถ้าของพระบรมศาสดาก็เป็นมหาวิปัสสนาหนึ่งญาณนั่นเองเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยศีลจึงเป็นประทัดฐานของนะ ของของสมาธิของของสมาสมาธิของสมถะสมถะก็เป็นประทัดฐานของวิปัสสนาหมายว่นานงวิปัสสนาก็เลยเป็นประทัดฐานของอรหัตมัคคิยานอารหัตมัคคิยานก็เลยทําให้จิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนี่เป็นอย่างนี้เป็นผู้มีความเพียรสามารถเผาบาปอกุศลให้เล่าร้อน เป็นผู้มีปัญญาสามารถทําให้โมหะที่เป็นปฏิบัติ์เกีตินให้เหือดแห้งหายไปเป็นผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนให้พ้นไปจากโมหะที่เป็นปฏิปักษ์เกีตนหรือเป็นผู้มีปัญญาเนะนำอารมณ์กรรมฐานกล่าวคือรูปนามเป็นต้นให้ปรากฏอย่างชาัดเจนแล้วสามารถได้สมาธิและวิปัสสนาปัญญาอาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นไปตามลําดับบุคคลที่เห็นภัยในสังสารวัฏนี่เนะ ประกอบด้วยคุณธรรมหประการศีลสมาธิแล้วก็สมาธิปัญญาปฏิสุทธิปัญญ า, ญญาวิปัสนาปัญญาปริหาริกาปัญญาสัมมารประทานดังกล่าวแล้วเนะี่ยบุคคลนั้นก็จะสามารถสางเสียได้ซึ่งความยุ่งยุ่งก็คือชัดคือตันหาอันเปรียบเหมือนกันหนึ่งแหนงหนามต้นไม้ไผ่นะที่รกแล้วก็มีเรียวรุงลังปกคลุมห่อหุ้มลำต้นไว้เสียได้ย่างนะัยอันนี้ เอาอาาัฐาเอาความหมายของพุทธพจน์คำว่าสีเลปฏิท thyroid n a r o s p จิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิปโกพิคูโสอิมังวิชัตเเยชะตันตีนีน่นะค้าถาเนี่ยสี่บาทคาถานี่นะมาในคำพีเทวตาสังยุตในสังยุตานิกายนี่ส ก, กาฆาวั์ท่านพระพุทธโคสะเอาพุทธพจน์เนี่ยมาตั้ง เขียนวิสุทธิมักได้เล่มนี่คือปัญญาของท่านพระพุทธโคสอาจารย์นั้นคำพิวิสุทธิมักนี่นะที่เป็นท่านใช้คำว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงการของพุทธศาสนาเ น, นี่ยมาจากระถาแค่นี้ท่านเอากระถาสี่บาทกระถาพระเทเระเขียนตั้งให้เลยเอาคุณลองใช้ความสามารถที่จาก สีเลปฏิทฐานนโรสปัญญจิตตังปัญญาจญาเนี่ยาวยางาตาปีนิปรโกภิขูโสอิมังวิชัตะตวเยเชตันตีเนี่ยเอาคุณเอาบะแล้วคุณทำให้เสร็จภายในคืนนี้ท่านสามารถเขียนกัมภีวิสุตมิกมากได้ภายในคืนหนึ่งนสามฉบับเขียนศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศใช้เวลาเรียนกัน ป, ปีสองปีสามปีคนคนอ่านปีหนึ่งไม่เข้าใจ ย่อพระตรัยพิฎกแปด0มื่นสี่พันระธรรมขันธ์ไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนี่เห็น ไ, ไหมไปเอาพุทธพจน์นี่มาฉะนั้นถ้าถามบอกว่าวิสุทธิมารเป็น พ, ฤพฤุทธพจน์ไหมใช่นี่ไงในไหนในเทวตาสังยุตถถ้าเรามองแบบนี้ออกอ๋อท่านพูดถึงว่าบุคคลปฏิสนธิมาด้วยเหตุสามอบรมศีลในภูมิสีจเจริญสมาธิและอบรมวิบัตสนาปัญญาและบรรลุมรรคผลได้ ประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านต้องการขยายอะไรท่านขยายมรรคมีองค์แปดเห็นไหมท่านพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาขยายไปก็คือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสัมมาวิมุตตสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิท่านพูดถึงมรรคสัจจะเมื่อพูดถึงมรรคสัจจะแล้วก็พูดถึงตัวตัณหาด้วย นั้นพูดถึงสมุทัยสัจจะโลกชัดเ น, นั้นน่ะลกชัดนั่คือตัวตันหานั้นพูดถึงสมุทัยสัจจะเมื่อพูดถึงมรรคสัจจะกับสมุทัยสัจจะถามว่ามรรคสัจจะไปก็รอบรู้อะไรรอบรู้ทุกศาสตร์เมื่อชำระละสมุทัยสัจจะได้เป็นสมุทเฉทปปะหานแล้วสัมผัสอะไรสัมผัสทันิพาน สรุปแล้วอริยสัจสี่ชื่อว่าท่านพระพุทธโคสานี่ยได้ขยายแล้วแล้วพุทธพจน์นี้ก็คือกล่าวอลายกล่าวอริยสัจอริยสัจนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วทรงตัดสรุแล้วงั้ริยดาตัดสรู้อะไรตัสรู้สัจจะสี่ตัดสรูท 4, สร้ทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็น สัจจะเป็นความจริงของพารียาเจ้าในอนาคตจะเป็นสัจจะเป็นความจริงของพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยใช่ไห ม, ไมจะเป็นสัจจะเป็นความจริงของพวกเราด้วยเพราะเราตั้งอัธยาศัยไว้ดีแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมี่น่าชื่นใจไหมว่าเราเนี่มีโอกาสได้บปรู้แน่นอนถ้าไม่ทิ้งพระราตนตรัยใช่ไหมถ้าไม่ทิ้งพระพุทธเจ้า ฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเป็นสารณะเป็นเครื่องดําเนินเนี่ยเป็นเครื่องนําทางของพวกเราโดยแท้เพราะศ า, าสดานี่จึงควรนอบน้อมเมียควรนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยนะในชีวิตที่เราเหลือเราจะบูชาพระศ า, าสดาเนี่โอ้โหน้อยมากเรามีของมีวัตถุทานน้อยมากทั้งวัตถุภายนอกภายในใช่ไหม จะทําคุณธรรมอะไรไปถวายเป็นพุทธบูชาพระาาสารพดาแต่ละวานันแต่ละวันเนี่ยไม่จะทําอะไรก็นั่งคิดนะวันนี้เราจะเอาอะไรนะถวายเป็นพุทธบูชาตื่นขึ้นคิดคําคิดเรื่องนี้บ่อนได้ไมวันนี้จะหาอะไรใส่ทองนะเลิกคิดเลยอยู่ไหมทีนีเ้เราจะเอาอะไรถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพทะเจ้านี่ชี้แนวทางเราเนะชี้แนวทางชี้ทางบันเทาทุกข์นะ ชี้สุกเลยนะถ้าทรรคืออะไรได้แค่คำสั่งสอนรรคำสั่งสอนฟังแล้วมันค่อยชื่นใจเลยฮะเ